เรสุรตะลากราฟที่เรายังคงอธิบายอยู่ช่วไท้ายๆนี่ก็จะเข้มข้นในเรื่องราวของชาวบนุสระอีลอย่างที่ได้บอกแล้วว่าหลังจากอายาหนึ่งร้อยหกสิบเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นช่วงหลังจากที่ ท่านนบีมูซาได้เสียชีวิตไปแล้วถ้าตามทำลายของซูราะเนี่ยข้อ1661นี้ที่พูดถึงเรื่องการพิชิตยูรัสซลิมอันนี้ท่านนบีมูซาเสียชีวิตแน่นอนแสดงว่าเรื่องราวถัดไปจากนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่ หลังจากท่านนาบีมูซาเสียชีวิตแต่ปรากฏว่าจะมีบางช่วงที่จะย้อนกลับย้อนกลับไปเล่าเรื่องเรื่องที่ตอนอยู่กับท่านนาบีมูซาแต่มีอยู่เรื่องหนึ่ง <c oughs> ทีเ่เหตุการณ์นั้นไม่มีปรากฏซึ่งท่านนาบีมูซา ก็สถานีฐานว่าเรื่องนี้ไม่ไม่ได้เกิดในยุคของท่านนบีมูซาเกิดยุคหลังจากท่านนบีมูซานั่นก็คือเรื่องชาวเมืองชาวเมืองท่าเรือหรือเมืองทะเลเมืองที่ติดทะเลเรื่องนี้ก็ถูกรายงานถูกเล่าในสุรัตอัลบากระอย่างละเอียด แล้วก็ในสู้ต่ออารอบเชน่นเดียวกันเหตุผลที่เรื่องราวนี้จะถูกเล่ า, าบ่อยครัง้งก็นั่งจากว่าบทเรียนของมันเป็นบทเรียนที่สามารถนำมา <c oughs> ใช้เป็นอุทาหรณ์ใดทุกยุคทุกสมยัยและการที่อัลกูรอ่านได้เล่าเรื่อง ของบอรรด์อิสราเอลบ่อยครั้งในหลายสุรานั้นเพราะบรรดอิสราเอลเป็นประชาชาติในยุคก่อนที่เคยมีบทบาทสูงและนบีของเขาคือท่านนบีมูซาก็เป็นนบีที่มีบทบาทสูงที่อ AH ัลลอ์ยกย่องก็เหมือนว่ามี <c oughs> มีลักษณะคล้ายคลึงระหว่างบรรด์อิสราเอลกับประชาชาติอิสลามแล้วก็เอาเรื่องของบรรด์อิสราเอลเนี่ยมาเล่าบ่อยเพื่อเป็นอุทาหรณ์นีงอีกอย่างหนึ่งเป็นไปได้ว่าประชาชาติก่อนไม่มีใครที่เขาประพฤติชั่วหรือกระทำความชั่วอันที่จะสามารถ นำมาเป็นอุทาหรณ์มากกว่าบรรณุอิสราเอลคือคือเขาสุดยอดแล้วอะจะหาจะหาคนที่ทําอะไรแบเพรวะแย่ๆที่จะมามาเตือนมาเตือนคนอื่นนั้นนะก็มีก <c oughs> ็มีนี่แหละก็เป็นก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อสังเกตแนวคุตตานว่าอุทาหรจากบรรณุอิสราเอลนี่มีเยอะมากมีเยอะมาก อุลมาก็เลยให้แง่คิดที่สร้างความสว่างกับมุสลิมทุกคนที่อ่านคุรานแล้วก็ฟินิดพิจารณากุรานเพราะใครที่อ่านคุรานนี่ก็ต้องก็ต้องสังเกตเรื่องนี้เบนอิสราเอลนะนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสุนนะนบีนะอะดิศนบีที่พูดถึงเรื่องเบนอิสรเนี่ก็มีเยอะเหมือนกัน อลมาก็ได้ให้แงคิดว่า <c oughs> การฝ่าฝืนอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในการละเมิดคาสั่งสอนของคำพีเนี่ยเป็นสิ่งที่ร้ายแรงเป็นสิ่งที่อปยุดยิ่งอัลลอฮ์จึงเอาเรื่องการละเมิดคาสั่งสอนของอัลลอฮ์และคำคำพีเตาละของบรรุสลีเนี่ย มาแฉมาเปิดเผยในกุรอ่านเพื่อเป็นบทเรียนว่าการละเมิดหลักการศาสนาและคำสั่งสอนเป็นเรื่องที่อับยศที่เราต้องกลัวกลัวว่าจะถูกแฉกลัวว่าจะถูกเปิดเผยบอแบนอิสราออลได้ ได้มีได้มีความผิดหลายความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องการละเมิดหลัการศาสนาแต่จะมีข้อสังเกตนะครับว่าการละเมิดของบริวอิสราเอลเนี่ยละเมิดในในกรณีที่ ไม่น่าละเมิดนะคือมันไม่มีเหตุผลที่จะละเมิดแล้วมันมีสาเหตุมีปัจจัยที่จะเอื้อให้เขาได้ปฏิบัติตามหลักการศาสนาแสดงให้เห็นว่าการละเมิดหลักการศาสนาถ้าในกรณีที่มันจำเป็นบางทีนี่ก็อาจจะ เห็นใจหรืออาจจะรับอภัยโทษจกรัเล่าโดยซ้ำไปละมีความจำเป็นนะแต่ถ้าในกรณีที่มันไม่จำเป็นแล้วก็ ม, มันมันอยู่ในสภาพที่มีปัจจัยที่จะเอื้ออำนวยให้ดำรงซึ่งหลักการศาสนาแต่นี่ขืนม า, มามามาฝืนหลักการศาสนาเนี่ย <c oughs> ก็จะทำให้คนที่ฟังเรื่องนี้ไม่น่าเห็นใจเลยะ และ نى จะเ ل ็ ر ชัดในเรื่องของชาวเมือง تلنياً يا ه ا ب ชาวประมง أ َ ت ي َ ه ُ م حِتَّى نُمْ يَوْمَ س ب ْ ت ِ ه ِ م ْ شُرَّعَ و َ ي َ و ْ م ل ا ي س ب ت و ن ل ا ت أ ت ي ه م ك ذ ل ك ن ب ل و ه م ب م ا ك ا ن و ا นบลมดี ا า, ก, ากันอย ف าฟื้นคูนว่าสั่งลูกมลเจ้าจงถามพวกเขาโอ้ m u h a ม m a จงถามพวกเขาถามในเรื่องนี้เพื่อพิสูจน์ในเห็นว่านบีรู้รายละเอียดในคำพีอัตเตวราห์หรือในประวัติของอัตเตอร์ร์ซึ่งไม่มีโอกาสที่ท่านนาบีสุลต์ละสเลมจะรู้ได้ และนี่เป็นข้อตอบโต้สำคัญที่จะตอบโต้นักบูรพาคดีคนหนึ่งชื่อโกลด์เซห์ซ์โกลด์เซห์เนี่ยเป็นเป็นชาวยวเอรมันเป็นนักเขียนเป็นนักบูรพาคดีได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องประวัติอิสลามเนี่ย แล้วก็เล่าชีวประวัติองท่นนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าในคาบสมุทรอาหรับนี่มีคริสตมียิวเยอะแล้วนบีมุฮัมมัดนี่ก็ตะเวนไปนั่งคุยคุกคีกับพวกบาดหลวงที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับก็ได้เรื่องอ่าก็ได้เรื่องราวที่มีในคัมภีร์เตอร์ราและอินดียลมาเนี่ย มาเล่าใหม่ในกุรานเขาบอกว่านี่เหมือนแกจะทำนักนักนักเขียนคนเนี้ยอยากจะอยากจะทำตัวเองว่าเป็นคนที่ค้นหาแล้วก็ เ, เล่าประวัติด้วยอะไรที่มีเหตุมีผลแต่ที่เขาเล่าทั้งหมดเนี่ยพอมาตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่า มันเป็นการสันนิษฐานทั้งสิ้นเวลาบอกเอาเราก็ไหนบอกที่ว่าท่านนบีนั่งกับใครคุยกับใครแล้วนั่งกี่ครั้งแล้วการศึกษาคําบีอะไร์มันก็ต้องมันก็ต้องละเอียดบ้างดีแต่สันนิษฐานว่านบีก็มีคริสมียิวอยู่ในครับสมอครับนบีก็นั่งคุกคีคุยกับเขาเองัน่ะคุยงัน่ะสันนิษฐานง่ายง่ายเองั้นแล้วก็แล้วก็ ใช่สิท่านนาบีสัลลัลลอฮุวาลลอฮิซซัลลัมว่านบีอุปลโลกุรานที่ขึ้นมาซึ่งอายานี้ <c oughs> ก็จะบ่งชัดว่าถ้าหากว่าถ้าหากว่าท่านนาบีเคยคุกคีกับพวกนี้จนกระทั่งมีความรู้เยอะขนาดนั้นนะ่ะที่จะเล่าเรื่องละเอียดของบรรดอิสราเอลของปรวิวสตัต ประชาชาติยุคก่อนพวกคร ah ah ah hey, ah ิสตและยูนี่ก็น่าจะรู้น่าจะรู้ทั่วคับสมุทรอาหรับนะแล้วท่านนบีที่บอกว่าละอัลลอฮ์บอกท่านเลยว่าอลลมไปถามเขาเนี่ยไอ้ท่าไม่ได้ถามว่ากเองเอามาจากเราละใช่ไหมคือได้ว่าอย่างที่ก้อนเซฮัในเขาพูดอ่ะนะอันนี้ใช้ตะการง่ายๆอ่ะเอออย่างที่จะถ้าท่านนบีได้ไปคุกคีได้ไปคุยแล้วก็เอาเรื่องแล้วก็มาเล่าเรื่อง แล้วทำไมต้องใช้คำว่า words เนี่ยไปถามเขานี่เพราะถ้าใช้คานี้เนี่ยวัอดุ a ไปถามเขาสไม่ผมไงถามก็ที่เองเล่าทั้งมดเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยก็เอามาจากเรา่าเราอเล่าใให้ท่านนี่แหละใช่อันนี้ก็เป็นคาโต้ชัดเจนนะครับว่าเรื่องราวที่ท่านนบีมูฮาที่ท่านนบีมุฮัมมัดลลัลลัลเล่าขุมวะนูอิสราอลนั้นเป็นเรื่องที่รับมาจากอัลลฮฮและยังมีรายละเอียด ที่ไม่ได้ถูกกระบุในตาร้อนด้วยซ้ําและบางเรื่องที่บรรดอิสราเอลเขาขัดแย้งกันจนกระทั่งบรรดอิสราเอลเนี่ยยิฮูเนี่ยยิ่ในขั้วโซนอรามิดจะรอว่าอยูรอกุร์านเนี่ยให้นบีมาเล่าจะได้รู้รายละเอียดที่เขาที่เขาไม่รู้พอลึกๆนี่เขารู้ว่านบีอย่านี้เป็นนบีลึกๆกัรู้ และจะมีเรื nent, make, ่องกุอานมาทุกทีเนี่ยก็จะมีเรื่องเรื่องใหม่มาที่เขาไม่เคยรับรู้และในฐานะที่เขาเป็นคนที่เชื่อจริงนะว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นนบีจริงอ่ะนะเขาบอกว่าเนี่ยดูไอ้เรื่องที่เราคุมเคือกันมานานแล้วเนี่ยดูดูกุานจะให้รายละเอียดแต่ศรัทธาไหมนะก็ก็ไม่ศรัทธาก็ไม่ศรัทธา و س أ ل ه م ل ج ا و ن ت َ ع م ب و ه ع ن ا ل ق ض ي ة ا ل ت ي ك ا ن ت ح ا ض ر ة ا ل ب ح ر ت ن ْ ه ن َ مَعَهُمْ مَعَهُمْ م َ ع ب ه ُ م ْ م َ ه ُ م ْ م َ ع َ ه ه ُ م م َ ع َ ه ُ ع َ ه ُ ع َ ه م ْ مَعَهُمْ م َ ع َ ه ع َ ه ُ ع ه ُ م ه ُ م ْ م َ ع ه อีลนิทุกวันนี้ก็มีเมืองอยู่เมืองหนึ่งอยู่ที่ตอนใต้ของอิสราเอลแล้วมันก็ติดกับทะเลแดงชื่อเมืองในปัจจุบันเนี่ยอีลาดอีลาดเป็นท่าเรือแล้วก็เกิดเหตุการณ์ในช่วงสงครามหกวันเมื่อปีหนึ่งเก้าหกจดเนี่ยคนย <c oughs> เีกวสงครามอีลาด อิลาดนี่ก็คือสันนิษฐานว่าน่าจะคืออิราหน์นี่แหละถ้าเป็นเมืองเก่าแก่เป็นเมืองที่ติดทะเลและเป็นถิ่นที่เอ่อพวกบนูสโรเอลน่าจะอาศัยมานานแล้วเพราะเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ของเมืองทะเลเนี่ยที่ระเมิดวันเสาโตนเนี่ยอันนี้หลังจากที่ชาวโบนูสโรเอลนี่เขา อพยพเข้ายูราสลิมแล้วแล้วก็ได้ตั้งอาณาจักรของเขาแล้วแล้วก็กระจายไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆในรอบๆนั้นหนึ่งในงนั้นก็คือเมืองอีลัดหรืออีลาอัลลอฮ์มาท่านอื่นก็บอกว่าเป็นเมืองระหว่างมาเดยีนดยนมาเดียนนี่มันเป็นเมืองอยู่อยู่ตอนเหนือของซาอุดีอาระเบียระหว่างมาเดยียน กับอีล่ะแต่สันิฐานว่าไม่น่าจะใช่เพราะบรรอิสราเอลรยีไม่ค่อยปรากฏตัวในพื้นที่นั้นๆนะครับอิดีาะดูนัฟิสเซบทีม حي ت ا น ه ห ي มเยวม ه ส شرعا หมชุ วันอาทิตย์เสَตูน่าจะตีหิมขณะที่พวกเขาเล่ามาดอยาดูน่าเล่ามาดใَเสบตีนัยวันเสบโตเสบโตคาว่าเสบโตนี่ค่ตามสำเนียงสำเนียงของภาษาฮิบรู ผมก็แปลกใจว่าที่แปลเนี่ยทำไมต้องไปแปลตามสาเนียงอิหรูเพราะในไทยเนี่ยถ้าจะแปลนี่ก็แปลเป็นวันเสาร์ไงสับบโตะนี่คืวันเสาร์ไงถ้าจะแปลนะนึกออกปะ่ะแต่ามาแปลว่าละเมิดในวันสับบโตเนี่ยคำว่าสับบโตเนี่ยก็คืออัซเซปภาษาอาหรับเนี่ย วันเสาร์นี่ก็คืออัสซับยาดูนฟิสซเบติซับนีคือภาษาับถ้าจะแปลนี่ทำไมไปแปลเป็นภาษาฮิบรูซ ะ, ะ ถ, ถ้าจะถ้าจะแปลให้คนเข้าใจนี่ก็และเมื่อในวันเสาร์เออคนไทยเขาจะได้เข้าใจแต่ถ้าคนไทยทั่วไปเนี่ยและเมิดในวันซับบัโตเนี่ยถ้าคนไทยทั่วไปอ่ะนะก็ก็อาจจะงงและซับตัวเนี่ยซับตนี่คือซับ ในเมื่อจะซับโตไปแล้วนี่ก็ซับไปเลยดิภาษาหับไปเลยดิทับศัพไปเล ย, เลยมันมันมันจะได้เ <c oughs> พอาะเราเพราะเราไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปไปเอาสำเนียงในภาษาฮิบรูนะเพราะไม่เชนั้นทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับบรรุสโลอินี่ก็เอาสำเนียงภาษาฮิบรูหมดมูซานี่ก็ไม่ใช่มูซาแล้วนะฮนะ เน yeah. ี่ยมูซาก็ไม่ช่ไบรอหิมก็ไม่ใช่ละอิบรอหิมก็ก็คนละชื่อแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสำเนียงสำเนียงฮิบรูภาษาฮิบรูนะภาษาฮิบรูมันก็คนละมันจะเพี้ยนนิดหนึ่งแต่มันก็ใกล้เคียงกับภาษาอรับนะก็อย่างที่บอกว่าฮิบรูกับภาษาอรับเนี่ยมันก็เหมือนอารับอับกับยูเหรออารับกับยูลูกบีลูกน้องกันแล้วก็ ฮบรูกับอาหรับนี่ก็เป็นภาษาลูกพี่ลูกน้องกันมีมีคาพูดคำศัพท์ที่คล้ายคลายกันเช่นภาษาภาษาอาหรับเนี่ยสมานสมานแปลว่าเวลาภาษาฮิบรูสมานอนนีเดียมานันี้เดียวหลายคำมันใกล้เคียงกันเลยอ่ะ <c oughs> เขาลมิดในวันสะบาโตยังไงละเมืดอ่ะอิวียดูนะฟิศเซบติละมิดในวันสะบาโตละเมิดยังไงอ่ะอิทตอติหิมพิทันห์มิยมาสะติหิมชุรร่าะวยมาลาสะตุนลาตอติหิมตั้งนี้นี่เป็นการแจ้งรายละเอียดว่าละเมิดยังไงขณะที่บรรดาปลาของพวกเขามายังพวกเขาในวันสบาโตก็คือวันเสาร์เนี่ย ของพวกเขาในสภาพลอยตัวให้เห็นบนผิวน้ำก็คือปลานี่มาเล่นบน บ, บนผิวน้ำไม่เห็นนะนี่ฉันอยู่ฉันอยู่ตรงนี้ะนะฉันอยู่ตรงนี้เลยแล้ววันที่พวกเขาไม่ถือว่าเป็นวันสบตุไม่ถือว่าเป็นวันที่ต้องห้ามะนะนั้นปลาปลาเหล่านั้นหาได้มาอย่างพวกเขาไม่มันก็ ไม่ปรากฏตัวจากการอธิบายเนี่ยผู้แปลเนี่ยเขาให้เห็นว่าคาว่าสัโตเนี่ยมันไม่ใช่ชี้วันอย่างเดียวนะมันเป็นภารกิจของวันด้วยพ่อบและในวันที่พวกเขาไม่ถือวันเป็นวันสัโตไม่ถือวันเป็นวันสัโตเนี่ยกับเพราะวันสัโตเนี่ยมันมีภารกิจ ภารกิจนั่นคืออะไรซับตเนี่ยซับตเนี่ยใช่เช่นิเชนซับตมันเหนื่อยซับตเนี่ยเป็นวันพักผ่อนบางทศน์ของยูเนี่ยเขาบอกว่ายูเนี่ยเขาเชื่อว่าอัลลอฮฺ سبحانه และสงล ในหกวันและมาพักผ่อนวันวันเสาร์เขาก็เลเอาวันเสาร์นี่เป็นวันพักผ่อนเหมือนพระเจ้าอันนี้บางทัศนะของยูนในที่เขาบอกกันบางทัศนะบอกว่าไม่ใช่วันพักผ่อนเนี่เพราะยูนเนี่ยชีวิตของบรรดอิสราเอลในส่วนมากใช้ที่ประเทศอียิปเป็นกรรมกร ฟิราลนี่ใช้พวกยูนี่เป็นกรรมกรเป็นเป็นแรงงานแล้วก็ฟิราล์นี่จะให้เขาพักวันเดียวก็คือวันวันเสาร์เขาก็ชินกับวันเสาร์แล้ววันเสาร์นี่ไม่ทําอะไรทั้งสิน้นเพราะวันเนี่ยทํางานให้ฟิราล์นี่แทบตายเลยวันเสาร์นี่ไม่ทําอะไรเลยนอนอย่างเดียวพอไปกับนูซ่านะ่ะพอไปอยู่กับนูซาแล้วก็ไป ไปพิชิตเยอรลนมแล้วก็ไปสร้างเมืองอาณาจากักรนะเขาก็ขอวันเสาร์เนี่ยเหมือนเดิมที่เขาเคยชินนั่นนะที่จะเป็นวันพักผ่อนแต่เขาไปาไปขอให้บทบัญียิทั้งหลายที่จะเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยให้มาอยู่ในวันสัโตุลาเราก็เลยลงโทษให้วันสัโตเนี่ยเป็นวันพักผ่อนแล้วก็วันยุติการทำงานโดยเฉพาะการทำมาหากิน การทำหมากินทุกชนิดถ้าชาวนานี่ก็ห้ามทํานาชาวสวนนี่ก็ห้ามทําสวนถ้าชาวประมงก็ห้ามเก็บปลาห้ามห้ามจับปลายกเว้นอาชีพจําเป็นจําเป็นอย่างเช่นอาชีพสาธารณสุขอะไรพวกเนี้ยพวกหมอพวกอะไรนี่อันนี้มีข้อข้ออนุโลมให้เขาทํา แต่หากว่าเป็นอาชีพที่ทำมาหมากินแล้วไม่มีความจำเป็นนะนะอันนั้นนะห้ามห้ามทาโดยเด็ดขาดก็ถือว่าเป็นบับใหญ่ในศาสนาอยู่ฉะนั้นชาวประมงในเมืองออลาเนี่ยการทำมาหมากินของเขาเนี่ก็คือจับปลาไงแต่อันทดสอบพวกเขา <c oughs> ด้วยการที่ให้ปลาเนี่ย ช่วงหกวันที่ไม่ใช่วันเสาร์เนี่ยปลานี่มันจะเงียบเลยเงียบไม่ปรากฏตัวถ้าจะไปจับปลานี่ก็ต้องดิ้นรนต้องฮะต้องนั่งเรือต้องอะไรตุ๊แต่ถ้าวันเสาร์นี่นะี่ยปลานี่มาถึงหาดเลยมาถึงหาด้เห็นเลยมีหลายราย ง, งานที่เขาบอกว่า เรื่องกาละเมื่อนี่มันเป็นยังไงบางแรงงานบอกว่าคือเขาล่เมิดก็คือจับปลาเลยไงล่ะแต่ไม่กินเออคือไปจับปลาวันเสาร์แต่ไม่กิ น, ไ ป, ป น, นะ ไ, กนไปกินวันอื่นแลแ้วถ้าใครมามาทวงติงเขาบอกว่าเขาก็มไม่ได้กินนะแค่จับอย่างเดียวไม่กินเออนี่ด้านหนึ่งอีกท้นานหนึ่งบอกว่าเขาไปดัก อ่าเพราะเพราะเขาอยู่เนี่ยเมืองอีแลนนี่มันอยู่มันอยู่มันเหมือนเป็นอ่าวเล็กๆอ่ะ เ, เขาก็ไปเอาแต่ไอ้แต่แกงนี่มาดักพอมาวันเสาร์นี่ก็มาเยอะๆในอ่าวเนี่ยเขาก็ดักในอ่าววันเสาแล้วก็ไปจับวันอื่นก็ถือว่าไม่ได้จับไม่ได้จับปลาวันเสาร์สงสัยว่าปลานั้ น, นเป็นเป็นปลาหมอนะ แล้วคนที่จับนียก็คือพวกหัวหมกแล้วก็มีบางเรงงานบอกว่าที่จริงเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เริ่มไม่ได้เริ่มจากกลุ่มใหญ่นะมันเริ่มจากคนเดียวก่อนเป็นชาวประมง ค, คนเดียวที่เขา คือชาวเมืองในทั้งหมดเนี่ยเขาเห็นป่านี่มันเมาสาเนี่ยเขาไม่กล้าจับแต่มีชาวประมงคนเดียวนี่วันเสาร์อ่ะค่ำๆหน่อยเนี่กลางคืนดึกๆไม่มีใครไม่มีไม่มีใครอยู่ใกล้ทะเลใกล้หาดนะเขาก็ไปจับปลาแล้วก็เผาเผาปลานี่ยมายถึงว่าย่างปลาเนี่ยย่างปลาแล้วก็กินช่วงดึกๆ แล้วก็อีกวันหนึ่งวันอาทิตย์เนี่ยก็จะก็จะไปเดินในเมืองเขาก็จะได้กินข่าวกินกินกินเาเก็บเออเก็ไปกินปลาเผามาจากไหนมัน ม, มีปลาวันเสาร์นี่ไม่มีปลาเลยไงพราอคนเขาไม่ไม่จับปลาไม่เลไม่มีมปลาเลยก็ไปกินปลามาได้ไงพราะปลาปลาไม่มีจนกระทั่งมีคนเขาไปเห็นเขาบอกว่าพวกคุณก็ทําได้เหมือนฉันนี่แหละก็ทยอยทํากันทีละคนทีละคน มีหลายราย ง, งานที่จะเล่าเรื่องการละเมิดของเขาบางเรื่องนี่เขาบอกว่าเขาละเมิดก็คือจับปลาวันเสาร์นั่นแหละไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปดักหรือไม่ได้ไปไปหาทางอ้อมจะได้จะได้จับปาลาน่ก็คือไปจับปลาเลยวันเสาร์บางทศนะนะทางนี้ <c oughs> ในไอ้อนนี้ก็ไม่ได้บอกนะว่าเขาละเมิดยังไง แต่ในอายะนี้บอกว่าบททดสอบนี่คืออะไรบททดสอบนี้ก็คือปลาเนี่ยมันมาจะามาปรากฏตัววันเสาร์แล้ววันอื่นเนี่ยที่เป็นวันที่อนุ ญ, ญาตให้จับปลาเนี่ยมันไม่มีไม่มีปลากระแทกหลีกการณ์ในวู้ดฮูมบมาแกนบสุขูนในทานองนั้นแหละเราจะทดสอบพวกเขาเนื่องด้วยการที่พวกเขาพวกเขาละมืดก็ไม่ได้บอกว่า ข้ละเมิดยงไงแต่ที่มีรายงานเก็บหน่อบาสและสนิทฐานว่าอาจจะมารายละเอียดเนี่ยอาจจะมาจากคำภีอัตวรรก็ได้แต่อุลมาได้ให้แง่คิดว่าวิธีละเมิดเนี่ยมันไม่มีสาระไม่มีความสำคัญมากนะักกุอรอาจึงไม่ระบุไม่ได้ไม่ได้บอกทำไมเพราะมีค่าเดียวกัน จะละเมิดทางอ้อมจะละเมิดตรงกันะก็ก็ก็ถือว่าละเมิดแหละก็ถือว่าละเมิดวันเสาร์ละเมิดภารกิจวันเสาร์ที่จะต้องยุติที่อัลลอ์สั่งว่าให้ยุติการทำมหากินอย่าลืมนะครับว่าแค่นึกว่าอัลลอฮ์สุภานอวตาละบัญญัติให้บนรอิสุรีนเนี่ยไม่ทำมาหากินวันเสาร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นบทบัญญัติที่ที่รุนแรงนะ ซึ م م ك ك ่งมันสอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮฺะ ب ح ا ن ه และก็กล่าวถึงบรรดิสรอเอลว่าท่านนบีอซาสะนี่มาวยะด้วยันมอิสรห์มแลอัลลัลที่คานตอัลหมท่านนบีอิสสเนี่ยมาเพื่อปลดการล่ำสู้แห่งบทบัญญัติบางบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ลงโทษพวกเขาหนึ่งในนั้นน่ก็คือซบโตเนี่ย ท่านในปีซาก็ตะเวนไปดาว่าไปเผยแพร่ในวันเสาร์ปะตูแล้วก็เคยรักษาคนที่ป่วยอะนะแล้วขอดูอาให้เข้าในวันเสาร์ปะตูเพื่อเป็นการยกเลิกบทบัญญัติเนี่ยเพราะเป็น บ, นบทบัญญัติที่ค่อนข้างยากยากในในในอิสลามเนี่ยไม่มีแล้วก็นึกจะทำทำงานทำหากินวันไหนเนี่ยเราก็ เราก็ทำได้ไม่มีข้อ บ, บกพร่ออุลมาบางท่านก็ยังบอกว่าในโลกอาหรับหรือโลกมุสลิมส่วนมากนะครับก็จะกำหนดวันศุกร์นี่เป็นวันวันหยุดวันหยุดรัชการวันหยุดวันหยุดทางการน่ะแหละเขาบอกว่าที่จริงมันไม่เหมาะมันเหมือนเขา้าเข้าขายทัปปะโตล่ะ ทำไมต้องหยุดทำไมต้องพักผ่อนทั้งทั้งี่อัลลอฮฺพูดถึงวันศุกร์นี่นะวันจุมฮ์นี่นะละม า, าเสร็จแล้วนี่ฟาสส้าให้ให้ไปดิ้นดนให้ไปทํามหากิแสดงว่าในหลักการอิสลามไม่มีนะในหลักการอิสลามเนี่ยไม่มีนะว่าวันศุกร์เนี่ยต้องเป็นวันหยุดอันนี้ผมเคยพูดสําหรับ การโตเถียงว่าเออทําไมทําไมมุสลิมไม่มีวันหยุดของเขาในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมไม่มีวันไม่มีวันหยุที่จริงวันศุกร์นี่ไม่ใช่วันหยุวันหยุดอื่นเนี่ยเป็นวันหยุดเขาก็ดีแล้วถูกต้องแล้ววันศุกร์นี่ไม่ใช่วันหยุดของเราแต่เราขอเรื่องเดียว่เรื่องละหมาดวันศุกร์เนี่ยเออขอให้ให้มีสิทธิ์ประกอบศาสนกิจท่านั้นแหละ ก็ยังมียังมีมุสลิมที่เขาคิดว่าวันศุกร์นี้ต้องเป็นวันหยุดไม่คือวันหยุดวันหยุดจะได้ทําห้บาด้อย่างเดียวอ้บาดาของเขาเนี่ยคือละหมาดวันศุกร์อย่างเดียวซึ่งเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื <c oughs> ล่อนน่ะละเมิดแล้ว เป็นกลุ่มหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ละเมิดชาวเมืองนี้เมืองอีเลตตี้ก็เลยแบ่งแยกกันเป็นสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งละเมิดกลุ่มหนึ่งเตือนประนามและเตือนและกลุ่มหนึ่งไม่ละเมิดและไม่เตือนสามกลุ่มกระโดด กลุ่มละเมิดกลุ่มเตือนกลุ่มที่สามเนี่ยสลระนี่ก็ได้กันกลุ่มนิ่งกลุ่มเฉยกลุ่มที่ทำเฉยไม่ไม่เอาไหนก็คือไม่ละเมิดเหมือนกันนะนะแต่ก็ไม่ทำหน้าที่ในการดักเตือนสามกลุ่มในชุ์อัลบกคารอนี่ก็ได้ได้แจงทั้งสามกลุ่มแต่ในชุดอารอบนี่ก็มามาสรุปเลย وميسنكلم تنسامات نتان وميكلم دسام. و إ ذ قالت أمّة منهم لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولا علهم ي ت ق و ن يعني بقول ميسنكم. ل ت َ م ل ك ن ت ي ك ل م ن في พวกเขา ق ا ل و รเหตุใด เพราะเหตุใดเล่าพวกท่านจึงตักเตือนกลุ่มชนที่อัลละฮฺจะทรงเป็นผู้ทำลายพวกเขาหรือเป็นผู้ลงโทษพวกเขาอย่างรุนแรงเป็นการสนทนาระว่างสองกลุ่มกลุ่มที่เตือนและกลุ่มที่ไม่ได้เตือนกลุ่มที่ไม่ได้เตือนนี่บอกกับกลุ่มที่เตือนเพราะเหตุใดเล่าพวกท่านจึงตักเตือน กลุ่มชนที่อลัลลอฮจะทรงเป็นผู้ทำลายพวกเขาเอาลัลละจะลงโทษเขาหรือเป็นผู้ลงโทษพวกเขาอย่างรุนแรงก็จะลงโทษแล้วจะมีอาสาบมายัางพวกเขาแน่นอนแล้วไปเตือนเขาทำไมมันไม่มีประโยชน์พวกเขากล่าวว่าคนที่เตือนนะกลุ่มที่เตือนนี่ก็เลยตอบกลุ่มที่ไม่ไดีเตือน การที่เราตักเตือนนั้นเพื่อเป็นข้ออ้างต่อพระเจ้าของพวกเจ้าและเพื่อว่าพวกเขาจะได้เยี่ยกระดงก็จะจากสนทนาเนี่ยที่พูดถึงสองกลุ่มที่ไม่ได้ทําความชั่วก็คือที่ไม่ละเมิดนะแต่มีกลุ่มหนึ่งเตือนกลุ่มหนึ่งไม่เตือนไอ้กลุ่มที่ไม่เตือนนี่ที่นิ่งอะนะ ก็แทนนี้จะนิ่งเสมอนะแทนนี้จะนิ่งเสมอก็นิ่งก็นิ่งไปเลยดิไม่ไอ้นี่ไม่นิ่งไม่ไปเตือนน่ะนะแต่ดันมาเตือนคนที่เตือนนี่นิ่งแปก๊กแล้วแล้วมันแล้วก็พันนี้เนะี่ยมีทุกที่เลยนะพันนี้มีทุกที่มีทุกสถานที่มีทุกสมัยเลยไอ้คนที่โดนละเมิดคนที่แล้วก็มี มีมีคนมามีคนมาแทนนี่จะไปเตือนคนทีล่ละเมิดนะฮะไปเตือนคนที่โดนแทนนี่จะไปเตือนคนที่อท า, า, านะไปเตือนไปเตือนคนที่กําลังปกป้องตัวเองนะบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าคือถ้าจะนิ่งก็นิ่งไปเลยดิไม่ต้องไม่ต้องแสดงบทบาทนะ การนี้เขาไปไปไม่อยากจะเรียกว่าต่อว่านะแต่การนี่เขาไปไปสักถามอ่ะยืนเนื้อเตี้ย ว, ว่าทำไมเตือนเขาจะถูกลงโท ด, ดแล้วจะถูกยุบแล้วเปจันก็ทำไม อุลามาก็เลยขัดแย้งกันคนนี้ไม่ทําความชั่วนี่ก็ไม่น่าจะถูกลงโทษกับกลุ่มที่ละเมิดทรัพแต่เนื่องจากว่าเขาไปนิ่งไม่ได้เตือนคนที่ละเมิดแล้วดันไปเตือนคนที่ตักเตือนนะ่ะนะอุลามาก็เลยขัดแย้งกันว่ากลุ่มเนี่ยตกลงอ๋อไม่ได้บอกนะว่าลงโทษหรือไม่ลงโทษแต่ตกลงเนี่ยเขาถือว่า ถูกลงโทษกับกลุ่มนึนกลุ่มนู้นรึเปล่าอิบยาบาซก็มีสองทัศนะกลุ่มที่ถูกลงโทษเนี่ยก็คือกลุ่มที่ลเลเวอร์โดนซับโตก็คือที่ไปจับป่ากลุ่มที่ไม่ถูกล ง, ลงโทษแน่นอนเนี่ยคือกลุ่มที่ไม่ได้ทาไม่ได้ทาความผิดและกระเตือนกลุ่มที่นิ่ง อุลามะได้บอกว่าสักดูฟะสักดุลลอฮฺอานุมกลุ่มนี้เนี่ยเขานิ่งเขานิ่งเฉยอัลลอฮ์ก็นิ่งไม่ได้พูดถึงเขาไม่ได้พูดถึงเขาก็เลยไม่มีไม่มีการแจงรายละเอียดว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่ถูกถูกลงโทษหรือไม่ทั้นั้นอิบเนีอับบัสบอกว่าถูกลงโทษอีกทันอิบนบอับบส มีรายงานว่าอับดุอาบบะสกับไอ้ครีมานเนี่ยครีมานเนีป็นลุกศิษย์ของใคริษเอกอับดุอาบบะสจะมีศิษเอกประมาณสี่ห้าคนเนี่ยครีม่าไอ้ครีมานซ้ายดิบเนจุบไบรมุจฮิบเนี่ยสี่ห้าคนเนี่ยเป็นศิษเอกที่เขารายงานตัซีรจากอบดุอบบสอบุอาบบสอ่านกุรานเนี่ยสุราเนี่ยร้องหาย ไอ้กริมาเข้ามาเห็นอนี่ยาบาร้องไห้จนไม่กล้าไม่กล้าคุยกับเขารอให้อาการเบาลงหน่อยแล้วก็ถามว่าท่านร้องไห้เพราะอะไรเพราะก็ดูสิบาโนอิสราอีนเนี่ยละเมิดวันซตวรรษกลุ่มที่ถูกละเมิดเนี่ยถูกลงโทษและกลุมที่ตักเตือนเนี่ยอัลลอ์จะอัลล์จ ะ, ลลจะให้เขารอด จะกลุ่มที่ไม่ตักเตือนเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษเหมือนกันอัลลอฮ์ลงโทษเหมือนกันไอ้กีริมาก็สนธนากับอับดุลลาบเนี่ยบัสเพราว่าทำไมทําไมท่านคิดว่าอัลลอฮ์ลงโทษเขาทั้งดั้งที่อัลลอฮ์บอกล i m a ta'izoona q a w m มาน l ล a h u ู u h l i k u h u m พวกเจ้าไปเตือนกลุ่มนี้ทําไมทั้งนั้นที่อัลลอฮฺนี่จะลงโทษเขาอยู่แล้วก็แสดงว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขารู้ทั้งสองกลุ่มมาละ่ะรู้ว่ากลุ่มที่ถูกลงโทษลงโทษนี่คือกลุ่มไหนเป็นสัญญาณว่ากลุ่มที่ไม่ไดีกลุ่มที่เถียงอะนะเถียงกลุ่มที่ไปไปไปตักเตือนเนี่ยแต่างก็รู้กันว่า เราเนี่ยไม่ถูกลงโทษเพราะเราไม่ได้ทำไม่ได้ละเมิดอันนี้เป็นสัญญาณว่ากลุ่มที่ไม่ได้ตักเตือนนะไม่ถูกลงโทษไม่ถูกลงโทษอิบเนอเบอสก็เลยสบายใจแล้วก็ให้รางวัลกับไปคิดดูไหมไอ้คิดดูไหมลูกศิษ์ของท่านอิบเนกาซีก็บอกว่าก็เป็นไปได้ว่าอิบเนอับบสช่วงแรกท่านจะเห็นมีทัศนว่า กลุ่มที่นิ่งเนี่ยถูกลงโทษนะแล้วก็ที่หลังนี่ท่านเอ่อท่านก็เปลี่ยนทัศนะตามไอ้กริมาตามไอ้กริมาว่าไม่ถูกลงโทษแต่อุลามะเขาเขาได้บอกว่าก็แค่เป็นกลุ่มที่มีความขัดแย้งว่าอุลามะขัดแย้งกันว่าจะลงโทษหรือไม่ลงโทษแค่นี้ก็อับอยยศแล้วไงแค่นี้อับอายเพื่อสื่อให้เห็น ถึงความไม่ดีงามของพฤติกรรมคนที่เห็นคนอื่นทำความชั่วและไม่เตือนไม่พอที่จะไม่เตือนนะก็ยังไปเถียงกับคนที่กำลังทำหน้าที่เตือนนะว่าไม่ต้องเตือนไม่มีประโยชน์ถ้ากับเราสุภาณวตารและได้ตำหนิทำไม ทำไมถือว่า Allah ตำหนิกลุ่มที่นิ่งละ่ะพอ a l l a พูดถึงกลุ่มที่รอดนี่คือกลุ่มที่เตือนอย่างเดียวแต่กลุ่มที่ไม่ได้ไม่ได้เตือนเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงไงแต่ถ้าเราตีความมั่วก็รอดเหมือนกันนะ่ะนะถ้าเราตีความนะแต่การที่ Allah ไม่พูดถึงเนี่ยเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นการประนามเป็นการตาหนิทางอ้อมเหมือนเราพูดถึงคนที่เรา ไม่ชอบหลายคนและค น, นอีกคนหนึ่งเราก็ไม่ชอบเหมือนกันนะ่ะนะแต่เราไม่พูดถึงอมีคนมาถามนะคนนั้นนะ่ะช่างมันเขาไม่ได้พูดว่าไม่ชอบใช่ไหะแต่การที่ผมไอ้ช่างมันก็แสดงว่ามันมีอะไรแล้วล่ะ <laughs> มันมีอะไรแล้ะไม่พูดถึง แสดงว่าเป็นการแสดงถึงการที่อัลลอฮ์ไม่ชอบพฤติกรรมของกลุ่มที่ไม่ได้ตักเตือนทั้งนี้โดยรวมมานะมันก็เป็นมันก็เป็นการบ่งชัดว่าในสามกลุ่มที่เขาอยู่ในเมืองเนี่ยกลุ่มที่ละเมิดเนี่ยเราประนามชัดเจนกลุ่มที่ตักเตือนเนี่ยเลาสันเสริญชัดเจนและให้รอดและกลุ่มที่นิ่งละ่ะถือว่าอัลลอฮ์ตหนิเหมือนกัน นะครับศนาอุลมาที่อธิบายกันทั้งหมดนั้นก็เ ล, ล, ลาบอกว่าอันนี้เป็นการตำหนีในทางอ้อมและมันก็ให้เห็นว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะเตือนคนอื่นในสิ่งที่เขาทำที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยก็ควรที่จะเตือนไม่ควรที่จะนิ่งนะครับ บทลงโทษนี่มันคืออะไรครับสำหรับมานัสุมาดَุิรุบีอันเจนะทِ่นั่นเฮนะَันสَและขณ์ะَี่นั่น ظلم َปِะดับบเเออิสม์บีมَแกนَและขณ์ะَี่ ظلم ูประِับบเเออิสม์บีมาแกนูเหฟสุคุณครั้นเมื่อพวกเขาลืมสิ่งที่พวกเขาถูกตักเตือนในสิ่งนั้นๆน่ะว่าย่ละเมิดทาไมละเมิดวันอนเสาล่ะ anjain ที่นั้นเฮาหน้าหนึ่งสูอราว่าช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ห้ามผู้ที่ห้ามปรามการทาชั่วให้รอดพ้นนี่คงแรกนี่อัลลอฮ์ช่วยให้เขารอดพ้นและข้าวหนาที่นั้น ظلم บัลลงก์เบียสินและได้จดการแก่บรรดาผู้ที่ธรรมเหล่านั้น ด้วยการลงโทษอันรุนแรงเนื่องด้วยการที่พวกเขาละเมิดบินมากานุเอฟสุกุปูถึงสองกลุ่มก่อนหน้านี้อัลลอฮฺเอ่ยสองกลุ่มที่เขาเถียงกันนะนะก็คือกลุ่มที่เขาไม่ทําความชั่วแต่อายะนี้พูดถึงสองกลุ่มกลุ่มที่รอดและก็กลุ่มที่ไม่รอดกลุ่มที่รอดนี่คือกลุ่มที่เตือนกลุ่มที่ไม่รอดเนี่ยคือกลุ่มที่ทําแล้วกลุ่มที่ไม่ได้เตือน ไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ได้เตือนนะ่ะอัลลอฮ์ไม่ได้พูดถึงเลยนี่นักนักนักอธิบายกุรอ่านเนี่ยก็จะบอกว่าที่อัลลอฮ์ไม่ได้พูดถึงเนี่ยนะเรารู้ว่ามีกลุ่มที่สามเนี่ยอัลลอฮไม่ได้พูดถึงว่าชะตากรรมเขาเป็นยังไงอน่ยนะก็แสดงว่าแสดงว่ามันน่ากลัวเพียงพอแล้ว แต่นักสังคมนักประวัติศาสตร์ในเชิงวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าคนที่ชอบนิ่งไม่ชอบหรือไม่อยากมีบทบาทในสังคมในการเตือนคนอื่นที่ทำความผิดเนี่ยประวัติศาสตร์นี่ก็จะลงโทษของเข้าือนกัน คนที่ชอบนิ่งแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่ชอบมีบทบาทนะนะคนเหล่านี้เช่นเดียวกันประวัติศาสตร์ก็จะไม่เอ่ยถึงไปดูประวัติศาสตร์ดิประวัติศาสตร์เนี่ยมักจะพูดถึงกลุ่มชนฝูงชนในทุกเมืองในทุกประเทศกลุ่มที่ทำความผิดทำความชั่วและกลุ่มที่ออกมาปราบปราม แล้วก็ไอ้คนส่วนมากอะที่ไม่ไม่ไม่เอาไหนเนี่ยมีไหมเป็นนักเป็นนักการเมืองจะเป็นนั ก, กวิชาการมีแต่เนื่องจากว่าเขานิ่งอะนะประวัติศาสตร์ก็ไม่เอ่ยถึงเขาเลยทําไมก็เขาไม่มีบทบาทประวัติศาสตร์นี่ก็ไม่ไม่ให้บทบาทกับเขาเลยนักประวัติศาสตร์ก็บอกว่าใ น, นประวัติศาสตร์เนี่ย มันก็มีสองบทบาทนี่แหละบทบาทคนชั่วให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนในสังคมและบทบาทคนดีที่จะปราบปรามคนชั่วแล้วคนนิ่งละ่ะเขาไม่มีบทบาทเขาเหมือนคนที่นั่งดูทีวีอย่างเดียวดูดูดู ด, ด, ด, ด, ดูดูบนเวทีเขาอะไรยังไงแล้วเขาก็อยู่หลังก็ ก, ก็แลวแต่สถานการณ์ อันนี้ก็ในเชิงรัฐศาสตร์เนี่ยวิชารัฐศาสตร์นี่ท่านนาบีสอนสหะนะและนบีไม่ยอมที่จะให้ประชาชาิอิสลามเนี่ยให้คนส่วนมากเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีบทบาท รัตสานนี่พูดถึงเรื่องการปกครองการปกครองใช่ไหมอับีก็เลยบอกว่าทุกคนมันร้เอมิ่งกุมมุนคราอิสลาะด้วยมุสลิมผู้ไดก็ตามที่เห็นมุนครนี่ฟังอยูยย่ไงหรืต้องต้องมีบทบาทเปลีป่ยนแปลงส่วนจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนนะอัน น, هنا, นี้ก็แล้วแต่สุดความสามารถเปลีป่ยนแปลงด้วยอํานาจด้วยมือเปลีป่ยนแปลงด้วยลิน้นเปลี่ยนแปลงด้วยหัวใจแต่ต้องมีบทบาท แต่จะนิ่งเฉยเลยนทำเฉยไม่ไม่เอาไหนเลยเนี่ยนี้อันนี้ถือว่าบาปสำนมมาอัตวะมะนุหันหุคลนาลห์มกูุกรดดตน خ ا ئ ีนครันเมื่อพวกเขาเลมิดสิ่งที่พวกเขาถูกห้ามในสิ่งนั้นแล้วที่ถูกห้ามในสิ่งนั้นก็คือการการจับปลาในวันเสาร์นะ กุลนาล่าเหล่ามกู้หนุกีรดตเราก็ประกาศสิทธ์แก่พวกเขาว่าพวกเจ้ากู้หนุกีรดตพวกเจ้าจงเป็นลิงไม่ใช่สิ่งนะจงเป็นลิงจงเป็นลิงที่ถูกขับไล่ให้ห่างไกลจงเป็นลิง ที่ความวั่วเป็นควายได้ไหมได้ไหมซึ่งเรื่องนี้เป็นเป็ น, ปนมจิศาสเป็นอภินิหารอย่างหนึ่งชัดิจเพราะการที่อลัลลอฮลงโทษให้มนุษย์เปลี่ยนร่างเป็นสัตว์มนุษย์ทำไม่ได้ถูกต้องไหม อันนี้เป็นมรดิ์จริแต่ก็มีอุลามาบางท่านในยุคซาลาฟเลยนะข้อดีความข้อดีความว่าคูนุกีรดาตี่งเป็นลิงเนี่ยอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นลิงจริง ไม่ได้หมายว่าเป็นลิงจริงก็หมายถึงว่าเป็นคนที่ไม่มีค่าในสังคมเป็นคนที่ไร้ค่าเป็นคนที่ถูกแช่งจากอเมริกาเนื่องจากว่าลิงเนี่ยถูกมองจากสายตาของของมนุษย์เนี่ยว่าเป็นสัตว์ที่ไม่มีสมองเป็นสัตว์ที่ซนที่ละเมิดชอบขโมยของชาวบ้านอะไรแบบนี้ ทัศน์นองท่านมุจาฮิตคนเดียวนะอิบนีกะซิลก็ได้เร่งงานไว้เป็นทัศน์ที่ผิดแน่นอนเพราะอุลมาเกือบทั้งหมดเลยเขาบอกว่าคือจงเป็นลิงเนี่ยมันตีความยากอะจงเป็นลิงมันตีความยากอะแต่แม้กระทั่งอุลามาท่านนี้เนี่ยเป็นยุคสลับด้วยนะ ตีเขาตีความมอดิษฐ์เนี่ยตีความอภินนหาเนี่ยนะก็ไม่มีใครประนามเขาอะทีตีความมอดิษฐนี่ว่าเขาเนี่ออกนอกกรีดอันนี้ให้เห็นนะครับว่าอุลามาบางท่านเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะตีความอายะนี่ตามความเข้าใจของตัวเองะนะซึ่งมันก็ขัดกับความเข้าใจของอุลามาส่วนมากและบางทีมันก็เกี่ยวกับเรื่องมอดิษฐ์ แต่อุลามาเขาจะต้องดูเออแนวทางของเขาเนี่ยเป็นแนวทางที่ชอบตีความแล้วก็บิดเบือนและตีความอภินิหารโมเแบบนี้เสมอไปหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่ถ้าเป็นแบบนั้นอุลามาเขาก็ให้อภัยก็เป็นข้อผิดพลาดในการตีความซึ่งไม่มีอุลามาท่านใดที่เขามีทัศนคของเขาเน100ี่ยร้อถูกต้องร้อยเปอร์เซ็แล้วก็ต้องมีผิดพลาด เรื่องนี้เนี่ยผมยกมาเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าอาจารย์อิบราฮิมกุเรซีอาจารย์ ی, าาเดเรกุลลาสิริศรท่านมีการตีความมั่วสีสัตว์บางมั่วสีสัตว์ไม่ใช่ทั้งหมดนะตีมั่วตีความมั่วสีสัต์บางโั่วสีสัตซึ่งรับอิทธิพลที่จริงเนี่ยรับอิทธิพลจากอุลามาสามท่านไม่ได้รับอิทธิพลจากโคเดีย น, นี ทำไมอะเพราะเขาบอกว่าเอาเข้อจริงนะก็เดียรีเนี่ยเมื่อซอร์กุลามะมัดก็เดียรีเขามีนั่งสือตับซีรุนเขาเนี่ยเขายอมรับมอดิจาร์ดหมดเลยยอมรับมอดิจาร์ดหมดเลยตัวเมื่อซอร์กุลามัดเนี่ยยอมรับมอดิจารหมดเลยเขายังอ้างว่าตัวเองมีมอดิจารดโดยสมัยเพราเขาอ้างว่าตัวเองเป็นเป็นนบีเนี่ย ปัญหาเกิดขึ้นกับลูกศิษย์ของเมตสากุลามันี่คือมุฮัมมัดอาลีลาฮูรีที่เขาแปลความหมายอุษุน์อ่านภาษาอังกฤษซึ่งมุฮัมมัดอาลีลาฮูรีเนี่ยได้ผิดเพี้ยนจากแนวทางของเมตสาลมันหลายเรื่องหนึ่งในเรื่องนั้นน่ะก็คือเรื่องการตีความมอดิสษฐ์และเขารับอิทธิพลจากไหนรับอิทธิพลตอนนั้นน่ะ จากอุลามาสมคนที่มีชื่อเสียงในโลกมุสลิมทั้งหมดนั่งจามาลุดดินอัลอาฟฮานีสองมูฮัมหมัดอาบดุสามมูฮัมมัดรชิดริดาสองคนนี้นี่ก็เป็นแนวคิดคล้ายๆอชาอร์และก็มุอตตาซีละที่ปนกับนววิทยาศาสตร์ที่ร่วมสมัย พราะสองคนนี้เนี่ยเขาไปดาวาประเทศยุโรปที่จริงเนี่ยจมาเลดินอับการีและก็มุฮัมมัดอับดุลเนี่ยขาต่อสู้จักรวรรดินิยมในโลกมุสลิมมุ hammad jamaluddin a b ghani เนี่ยก็ต่อสูจักรวรรดินิยมอังกฤษที่ก็จะไปยึดอัฟกานิสถานก็ถูกในประเทศไปอีบอีบนี่ก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเหมือนกันอะ ก็ไปเจอกับมุฮัมมัดอาบดุ่นี่อาบดุ่ก็เรียนกับเจมาร์ตินอับราฮีมสองคนนี่ก็เลยต่อสู้จากก่อ น, นิยมที่อียิปต์เขาเลยถูกเนรเทศไปฝรั่งเศสสองคนเนี่สองคนนี้ก็เลยไปตั้งไปทําหนังสือพิมพ์ที่นูน่นและเผยแพร่ศา ส, สนาอิสลามแต่เขาอยู่ที่ฝรั่งเศสซึ่งตอนนั้นนะ่ะแทบไม่มีมุสลิมน้อยมากเลยเขาอยู่คนเดียวเขาอยากจะคุยกับ คนฝรั่งอะนะด้วยภาษาที่มันเป็นกระแสนิยมในยุคนั้นซึ่งช่วงนั้นในเรื่องวิทยาศาสตร์นี่กำลังบูมเขาบอกว่าถ้าเราเอาคุรอ่านนี้แล้วก็มีแต่เรื่องมอดิซา์มีแต่อะไรเนี่ยเขาจะมองว่าคุรอ่านนี่มันล้าสมายัยทำไมอะเขาก็บอกว่าเขาเห็นว่าฝรั่งเนี่ยเขาเริ่มที่จะปฏิเสธไบเบิลและกเตรอร์ ซสะส่วนมากแล้วเนื่อจากว่าเตราระแล้วก็ไบเบิลเนี่ยมันมีของแบบนี้เยอะมากเลยอ่ะฝรั่ง ก, ก็ก็ไม่เคยเอาแค่เอาไบเบิลเนี่ยมาใช้เป็นพิธีพิธีกรรมอย่างเดียวไม่ไม่เข้าลึกไปในเนื้อหาเขาบอกว่าถ้าเราขืนเอากุตตานมาเผยแพร่แล้วก็มีมอ้อจีจ่าที่มันเป็นอภินิหารแบบเนี้ยเดี๋ยวกุตตานก็จะถูกปฏิเสธเหมือนไบเบิลแล้วจะาป็นไงนี่ะ กตีความสิตีความพวกอภิิหารเนี่ยให้ดูเหมือนมันทันสมัยเน่สองคนนี้นะก็ได้เผยแพร่แนวคิดนี้มุฮัมมัดอะลีอัลลาฮุรีซึ่งตอนนั้นนะยังเป็นเด็กยังเรียนอยู่แล้วก็ได้รับอิทธิพรจากสองคนนี้แล้วก็เอาเรื่องนี้เนี่ยมาบรรจุในหนังสือหนังสือกุรอ่านมาจิที่อธิบายความหมายกุรอ่าน เป็นภาษาอังกฤษของมุฮัมมัด阿里อัลลาฮูรีและทีหลังนี่แกนี่ก็เป็นหัวหน้าแนวกอตเยนีสาขาลาโฮที่ปากีอาจารย์ดิเรกเนี่ยไม่ได้รับอิทธิบุจากมุฮัมมัด阿里อัลลาฮูรีนะแต่รับอิทธิบุจากจมานุตินอว่านีแล้วก็มุฮัมมัดอับดุลแล้กลุกศิษคนสุดท้ายนี่คือมุฮัมมัดรชิดริ ض ซึ่งสามคนนี้เนี่ยที่เขาได้เผยแพร่แนวคิดนี้แล้วก็มีหลายคนที่ ท, ที่ได้ที่ได้รับอิทธิพลตรงนี้นะหนึ่งในนั้นน่นนะสองคนที่เคยอธิบายความหมายกุณอ่านเป็นภ า, าษาอังกฤษหนึ่งก็คือมุฮัมมัดอัสสัดเดิมเนี่ยเป็นชาวสวิสแลนด์ชาวยูแล้วก็มารับอิสลามแล้วก็แปลคุณอานเป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็คำแปลเนี่ยเขาดังมากสองมุฮัมมัดยูซุฟอาลีก็เป็นชาวอินเดียเชียร์ที่อยู่อังกฤษทํางานเป็นทนายความแปลความหมายกุรัมเป็นภาษาอังกฤษแต่หนันงสือของเขาเนี่ยไม่มีอะไรที่เ ก, กิดแนวเชียร์เลยเขาเป็นแนวชียร์อิหมัมเจ็ดด้วยนะไม่ใช่อิหมัมสิด้วยนะแต่แนวคิดของเขาเนี่ยไม่มีแนวคิดเชียร์เลยแต่จะมีแนวคิดเรื่องตีความมอดิสาน ซึ่งสองเล่มที่อิบเรมกุเรชีอาศัยมากที่สุดนี่คือสองเล่มนี้แต่บเรมกุชีจะมีของมหามารดีวางอยู่ด้วยอาศัยในการที่จะใช้ประโยชน์ในเรื่องเรื่องดัชนีเรื่องใช้คําศัพท์เปรียบเทียบคําศัพท์ช่นอลิซานี่ก็ไปที่ไปเยี่ยมอิบเรมกุเรชีก็เห็นเล่มนี้วางอยู่ แกก็เลยมโนไปเองว่าเนี่ยไอ้ความผิดเพี้ยนทั้งหมดเนี่ยมาจากเล่มนี้ซึ่งมันไม่ละคือมันไม่แฟร์มันไม่แฟร์ด้วยประการทั้งปวงไม่แฟร์ด้วยประการทั้งปวงทําไมอ่ะเพราะความผิดที่บรูฮิมกุเรชีมีเกี่ยวกับเรื่องตีความมอดีสานี่นะของมุฮัมมัดอิสลามีของมุฮัมมัดอัสซดนี่ก็มี ไม่ใช่เฉพาะของมหาดายราฮูรีนะแสดงว่าทำไมต้องเจาะจงวัวอ้อนี่เขาตามนี้อันนี้อย่างอีกอย่างหนึ่งอ้บรูยิบุรุษชีไม่ได้ปฏิเสธมอญิษฐ์รรทั้งหมดหรือท่านไม่ได้ตีความมอญิษฐ์ทั้งหมดเขาตีความมอญิษฐ์บางอย่างคนที่ตีมอญิษฐ์บางอย่างเราไม่สามารถบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนปฏิเสธมอญิษฐ์ไม่เอามอญิษฐ์แต่บ้านเราเนี่ยถูกเผยแพร่เรื่องนี้อย่างกว้างขวางว่า ใรบรหิมกุเรชีไม่เอามอดีษะแต่พอไปดูในอุดอ่านมัชิดของท่านไปดูการอธิบายซอยบุคอรีของท่านเพียบเลยหนึ่งในนั้นนมอิีาะที่เกิดขึ้นสมัยท่านานบีมสุลลัลสลัมที่ดวงจันทร์แยกนะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้มันเหนือวิสัยเหนือปัญญาของมนุษย์เราไม่สามารถ ที่จะที่จะล่วงเกินหรือจะกล่าวอะไรมากมายนอกจากยอมรับในอภินิหานั่นก็ยอมรับในมอจจิสาตแ <c oughs> สนงว่งไม่มีแนวคิดปฏิเสธมอจจิสัตดังนี้เราต้องพูดเราต้องพูดบ่อยเพราะกุรานมัจีดเนี่ยเป็นความหมายกุรานเหมือนความหมายกุรานอื่นๆเช่นมุฮัมมัดอิสวลัลีซึ่งกุรานของมุฮัมมัดอิสวัลีเนี่ยที่ มา ด, ดีนาพิมพ์ที่ซาอุดีเนี่ยพิมแล้วก็แจกนะก็มีความผิดเหล่านี้หลายเรื่องก็ไม่เห็นมีใครไปบอกว่าไปพิมของคนเชียร์ได้ไงพิมพ์คนตีความมโนยิสระยังไงเพื่อให้ให้ความเป็นธรรมกับตำรับตำราที่มีคุณประโยชน์เนี่ยผมรู้สึกว่าจะต้องพูดในเรื่องนี้ และอีกอย่างหนึ่งกุรานมายิตเนี่ยก็มีประโยชน์มากมายในด้านการอธิบายในด้านการสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะบุรีมกุเรชีเนี่ยเขาได้ศึกษาเขาได้ศึกษาความหมายกุรานของมุฮัมมัดอับดลเะกมุฮัมมัดรชิดริฎอซึ่งสองคนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะอธิบายกุราน ตามแนวคิดของเขาอะนะที่มันร่วมสมัยที่ทำให้คนคนได้ได้เข้าใจง่ายท่านก็เลยมีมีแนวคิดบางอย่างเนี่ยที่เรื่องดีความมุเอซัตบางอย่างอะนะแต่ก็มีเรื่องดีของมุ h ม m อัมุดูแล้วก็ของมุ h ัลกชิดริอนนีคือเอาคุรานเนี่ยมาพูดถึงเรื่องร่วมสมัยไม่ใช่เรื่องมุเอซัตเดียวมงเ a m ยว d อามดูนี่ เขาให้เขาอธิบายคุรุอ่านให้คนเห็นว่าคุรุอ่านเนี่ยพูดถึงปัญหาสังคมปัญหามนุษย์ปัญหาครอบครัวมีคําชี้แนะให้เขาจะได้เข้าใจเขาจะตระหนักว่ากุรอ่านนี่มีทางนำจริงแต่ทุกคนนี่เนี่ยคุรุอ่านถูกใช้ตอนไหนอะตอนมีคนตายก็ไม่ต่างอะไรกับคําวีอื่นๆที่เสมือนเป็นบทสวดละ่ะ ใช้วสวดใช้ดำเนินการพิธีพิธีกรรมอย่างเดียวและนี่คือสาเหตุที่ทำให้ประชาชาติอิสลามตกต่ำตกต่ำอัจฮารเนี่ยอุลมามะที่อัจฮารนะนะตอนที่ฝรั่งเศสเข้ามาบุกรุกอียิปยกทัพมายึดประเทศอียิปนะก็ซอยบุคอารีมาอ่าน ด้วยความเชื่อว่าการอ่านไยบุคอรีเนียปกป้องพราะช่วงช่วงศตวตรรษหลังๆเนี่ยตั้งแต่ศ ต, ตวตรรษที่10ถึงศตวรรษที่ที่สิเนี่ยช่วงที่จกักรวรรดินี้ยขยายขยายอาณ า, านิคมของเ ข, ขาในประยุทธ์ประเทศมุสลิมมากมายเนี่ยช่วงนั้นนะ่ะที่มุสลิมตกต่ำในการที่จะเอาหลักการศาสนามาใช้ในชีวิตของเขา เอากุตอานมาอ่านเพื่อเป็นพิธีเพื่อบรารักัดเอาสอยบุคฮารีมาอ่านเพื่อเป็นพิธีเพื่อเป็นบรารักัด อ, อยากจะทำบุญอย่างเงี้ยก็สั่งอุลมาให้อ่านกุตอานสักสักสิบรอบอ่านบุคฮารีสักสิบรอบแล้วก็แจกตังอุลมารุ่นนั้นน่ะก็เลยได้มีไรายได้จากการอะไรอะ่ะจากการอ่านอย่างเดียวการอ่านอย่างเดียวไม่ใช่การ ที่บายแล้วก็เอาเนื้อหาอันมีประโยชน์เนี่ยมาฟื้นฟูสังคมมาแก้ไขปัญหาสังคมและมาไม่มีบทบาทนี่แหละอ่านอย่างเดียวก็เลยเป็นบทบาทคล้ายๆบทบาทชาวยูที่อัลลอฮฺบอกอุมีนุมอุมมียูนอะไะไรมุนในคดีแบบอิ่ lle ะอมานีมีกลุ่มนึงไม่มีอะไรไม่มีบทบาทเกี่ยวกับขัมบีของเขาเนี่ยนอกจากอมานีก็คือนอกจากการอ่าน เพา น, นพวกเราก็จะต้องหลุดพ้นจากกระบวนการสอให้กุรอ่านเนี่ยเป็นคําพีอ่านประกวดกุรอ่านให้ทําอะไรอะ่ะให้อ่านให้อ่านละกูให้อ่า น, ใ ห, านให้เพราะอย่างเดียวรางวัลมหาศาลนะทุกประเทศเนี่ยจะทํารางวัลประกวดกุรุอ่าน ให้คนมาอ่านกุร์รนท่องจำกุราะกะ์านแล้วก็อ่านอ่านเราก็มีคนที่ท่องกุรา์านก็อุลามาตุกยุคมี ม, มีที่ท่องกุร์รนแต่เขาท่องกุร์รนเพื่อท่องกุร์านเพื่อให้กุร์านมาฟื้นฟูสังคมไหมฟื้นฟูประชาชนไหมหรือท่องกุรา์านเพราะหากินได้ไงหากินได้ ไปยืก็อ่านอย่างเดียวแต่ไหนละ่ะอุลมามะที่เขาท่องเขาอ่านและท่องแล้วก็รู้ความหมายแล้วก็เอาความหมายนี่มามาขย่าหัวใจของชาวบ้านเนี่ยให้ลุกขึ้นกันมามามาสนองคําเรียกร้องคําสั่งสอนละ่ะเนี่ยที่ที่เป็นบทบาทแท้ๆของชาวคำพีที่เราต้อตงการ กลุ่มนึงที่เขาที่เขาที่เขานิ่งไม่เตือนนะคือกลุ่มที่เขารู้หลักการไงถ้าหมายถึงวันที่เขาอ่านคัมภีร์แล้วก็รู้หลักการแต่เขาไม่ได้เอาความรู้ในคัมภีร์เนี่ยไปเตือนกลุ่มที่ละมืดจึงจึงถูกถูกตําหนิเช่นเดียวกันสุดท้ายยูที่ละมืดในวันซับโตเนี่ยก็ถูกแช่ง ให้แปลงร่างเป็นลิงมีลูกหลานไหมพวกลิงตัวเนี้ยเ้าจะมีลูกหลานไหมไม่มีไม่มีมมแต่เอฟเนี่ยว่าเรลงงานบอกว่าตอนที่เช็คแล้วอะนะคือตอนคขนละเมิดเนี่ยเมืองเมืองอะมันมันเป็นเมืองที่แบบว่ามีป้อมอะมีมีรั้วป้อมอะ ขเขคนแล้วเมื่ิ้แล้วอ่ะนะไอ้กลุ่มที่ไม่ละเมิดเนี่ยเขาแยกตัวเลยเขาออกไปเลยออกไปนอกเมืองเลยแล้วก็ไปไปเถียงกันอนะ่ะกลุ่มหนึ่งก่อนที่จะออกนี่เตือนทําไมไปละเมิดทําไมไม่ไงี้เขาออกไปแล้วในไอ้กลุ่มที่ไม่ได้เตือนเนี่ยไปบอกเขาทํำไมไปเตือนทําไมเสียประโยชน์เขาบอกว่าเนะี่ยขณะที่เตือนนี่ก็มีคนเนี่ยปีน รู้วป้อมกำแพงป้อมเนี่ยไปดูอะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่าไม่มีคนแล้วมีแต่ลิงเขาก็เลยตกใจแล้วก็เข้าไปในเมืองเข้าไปในเมือง ม, มันลิงอะลิ ง, ล, งลิงหน้าดามันเหมือนกันใช่ไหม เ, ออเข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ไอ้ลิงแต่ละตัวนี่ตาดิเนี่ยบัสยงไงลิงแต่ละตัวนี่มันรู้ วน่นี่นคือพ่อฉันเนียคือพี่ฉันเนียคือน้องฉันมันก็วิ่งไปหามันก็วิ่งไปหาอยา่คือลิงนี่มันรู้จักแต่อคนเนี่ยไม่รู้จักมันแล้วก็คนนี่ยมันก็ถามว่าก็เตือนเธอแล้วไม่ใช่หรออินนี่ยมึงไอ้ลิงกันมก็อยากหน้าอิบนาม อ, อิบเนาะเบสบอกว่าลิงพวกนี้เนี่ยไม่มีไม่ได้สืบพันไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้สืบพันธุ์ไม่ได้มีลูกอีกแล้วฉะนั้นจะมีมุสลิมในปัจจุบันเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาแค้นแค้นยูเนี่ลูกหลานลิงไม่มีก็ลูกหลานคขานี่ยเขาลูกหลานอยู่ที่เขาไปชนาตัวเองแล้วก็ไปฉลาดกับเราแล้วก็มาขี่คอเราเนี่แหละ ไม่มีลิงเพราะถ้าหากว่าลูกหลานเนี่ยเป็นลิงอะนะมันก็ยิ่งอพยศไปอีกนะมันอย่งนี้อพยศไปใหญ่นะเราก็ไม่ควรที่จะเออไปด่าในสิ่งที่มันไม่มีที่ไปที่มาคือจะไปเข้าใจว่าอ๋อถูกแช่งเป็นลิงมันก็มีลูกหลานลิงแสดงว่ายิวนี่มันมีลูกมันมีมันมีพวกสื บ, สบทอดตระกูลเป็นลิงอะไรเงี้ยเราก็ไปว่าเขาอ๋อพวกคุณก็มีเนี่ยพวกลิงบ้านเราเนี่ยก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องพวกคุณ เราต้องการแก้แค้นความความเจ็บอันนี้อันนี้เลอะเทอะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะพวกลิงนั่นถูกแช่งแล้วนะก็จบก็ศูนพันธุ์ไปแล้วลิงที่ที่เป็นมนุษย์ที่เป็นชาวยูวแล้วก็ถูกแช่งอันนั้นนั้นศูญพันธุ์ไปแล้ว แต่ยิวไม่ไดิละเมิดเฉพาะวันสักตัวในเมืองอิละอย่างเดียวคือตั้งแต่อยู่กับสมัยนะบีมูซาเนี่ยมีพฤติกรรมละเมิดเสมอเสมอและหลังจากนั้นนะก็จะมีพฤติกรรมละเมิดเสมอเสมอการลงโทษนี่มันก็กลายเป็นเรื่องปกติที่ชาวยิเนี่ยจะได้รับจากพระเจ้า H h ala, oh a ra, wa, l er yang, ash ash rael, l า h سبحانه และ تعالى ก็ได้ตรึกเรื่องนี้ไว้ในอัตโธรรมว่าเนื่องจากการละเมิดอย่งต่อเนื่องของประชาชาติบรรดอิสราเอลภายหลังที่ Allah คัดเลือกให้เขาเป็นประชาชาติที่ประเสุิ์ยิ่งและก็ส่งบรรดาอบีราะซุลมากมายคัมภีร์มากมายเพื่อยกสถานะของเขาให้เป็นคนดีแต่เขากลับปฏิเสธ คุณงามความดีนี้ความโปรดปรานนี้อัลลอฮฺสุบฮานะหัวดาแหละลงโทษเขาแล้วบอกว่าเตรียมตัวต่อไปเนี่ยเตรียมตัวต่อไปเนี่ยที่จะรับการลงโทษตลอดกาลเราก็เลยบอก ร่องีนในคุรานฉันหนูอิฐเตาะท่านรับบุคลัยบะทนั่น عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع ا ะ ع ق ا <ت> ب <ص> وإنه لغفور رحيم لا لك ناتي ا <ق> ء ของเจ้าได้แจ้งให้ทราบว่าแจ้งแจ้งให้ทราบกับบรรดาศรีถูกแจ้งแล้วแลวก็ถูกระบุในเตอร์รอแล้วและเจ จะเล่าเรื่องกลุ่มที่เขายัางยังเชื่อเรื่องนี้ทุกวันนี้ในโลกในโลกเราปัจจุบันให้ทราบว่าและบางสิ่นอัลเยฮิมในยคลัคยาแน่นอนพระองค์จะส่งมาให้มีอำนาจเหนือพวกเขาจนถึงวันเกียรมะถึงวันบรโลกไม่เยซูมุฮัมซุอัลลาบซึ่งผู้ที่จะบังคับขู่เข็นพวกเขา ก็คือคมเหงะเข็นตรงนี้คือคมเหงด้วยการทรมานอันร้ายแรงเ <c oughs> ข็นพวกเขานี่ก็คือก็คือคมเหงไม่ให้อ่าไม่ให้มีอํานาจไม่ให้มีไม่ให้มีบารมีไม่ไม่มี ชีวิตตามอัตยาศสายกลุ่มหนึ่งชาวยูเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเที่ยงเชื่อเรื่องนี้เป็นกลุ่มที่เคร่งครัดมาก<ม>เขาบอกว่าเรามีหน้าที่เรามีหน้าที่ที่จะรับการลงโทษนี้และขออภัยโทษต่อพระเจ้าตลอดการ ฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะก่อประเทศก็ตั้งประเทศเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เพราะการที่ก่อก่อตั้งประเทศเนี่ยทําให้เรานี่เหนือเหนือการลงโทษแต่อัลลอฮ์แทงเราให้อยู่ในสภาพที่รับการลงโทษถึงวันเกียรมะกลุ่มยูเนี่ยกลุ่มยูพวกเนี้ยมีทุกวันนี้เนี่ยประเทศยุโรปก็มีที่อเมริกาก็มี และเขาถือว่าประเทศอิสราเอลที่ถูกก่อตั้งโดยพวกเซโยนสิสเนี่ยเขาถือว่าเป็นประเทศบาปเป็นประเทศที่ละเมืดเป็นประเทศที่สืบทอดกลุ่มที่ละเมิดศา ส, สนาของพระเจ้าของยิวในอดีตน้นมีกลุ่มละเมิดนะนะหดพวกเนี้ยก็คือพวกกลุ่มที่ยังละเมิดยังก็ยังละเมิดกันอยู่แล้วก็ไม่ยอมที่จะอพยพจาก หนนี่ไปอยู่ประเทศ อ, อิสราเอลเขาบอกว่าเป็นเป็นแผ่นดินที่ถูกสาบแช่งเพราะเพราะเป็นประเทศบาปมีองค่กรหนึ่งที่ยอมอพยพไปเนื่องจากว่าเขาถือว่าเยอรมนีเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แต่ไปไปอยู่ที่ประเทศอิสราเอลนี่นะแต่ก็ไม่ยอมรับในรัฐบาลไม่ยอมรับในอำนาจต่อต้านรัฐบาลอิสราเอลเนี่ย ก็ถอว่าพวกไซออนิสม์เป็นพวกที่ละเมิดที่มาก่อตั้งประเทศและมุมมองของเข า, าเขาบอกว่าพวกนี้เนี่ยแปลกมากเลยนะพวกนี้บอกว่าต้องให้ชาวบริสต์ไซเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศและเราต้องอยู่ภายใต้อานัตของเขาเพราะนี่สภาพของเราที่พระเจ้าเนี่ยลงโทษเราไว้เราต้องอยู่ภายใต้อานัตผู้อื่นเราต้องถูกเข็นจากคนอื่นถูกเข็นไม่ใช่เขนถูกเข็นจากคนอื่น ้ามีคลิปที่ชาวยิวกลุ่มเนี่ยเขาจะเผาปัสสาวะเพื่อแสดงแสดงความไม่พอใจ mm hmm. แล้วก็ถ้าจะหาข้อมูลต่อต้านกลุ่มเซียนิสเนี่นะ mm hmm. พวกกลุ่มเนี่ยมีข้อมูลแม่นเลยแม่นเลยเขาจะชี้เลยบอกว่าเนี่ยพวกซนิสนี่มันทำบาปยังไงมันแนวทางของมันคื อ, อมันรู้พุงรู้ไส้กันไง แล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มครึ่งครึ่งศา ส, สนายูนนะกลุ่มเนี้ยเขาบอกว่าทางออกของปัญหาแต่วันออกกลางนี่ก็คือยูเนี่ยต้องยอมรับต้องสารภาพในความผิดแล้วก็ปล่อยให้ชาววาลซายเนี่ยมาก่อตั้งประเทศของเขาแล้วถ้าเขายอมให้เราอยู่เขาเนี่ยให้เราอยู่ไปแต่อันนัทของเขาเนี่ยอันนัทเน่ยดีที่สุดแล้ว อินน <يم> ั้นรบบักะลส ريع ในกับวย์และนั้นละกัฟุร์รหิมแท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้นทรงเป็นผู้รวดเร็วในการลงโทษก็ละเมิดจับปลาวันเสาร์นี้ก็ถูลงโทษทันทีรวดเร็วในการลงโทษและแท้จริงอินนั้นละกัฟุร์รหิม และแท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเอ็นดูเมตตาแล้วก็หลังจากที่เขาได้ตั้งอาณาจากักรชาวยิวเนี่ยตั้งอาณาจักรที่เยรูซาเล็มและพื้นที่รอบๆก็คือในแผ่นดินแผ่นดิน ปาเลสไตน์ในปัจจุบันและจอดแดนบางส่วนและก็ซีเรียบางส่วนนั่นนะคืออาณาจักรคงอยิวแล้วก็สองกษัตริย์ที่ดังที่สุดเนี่ยในอาณาจักรนั้นก็คือนบีสุลมานและก็นบีดาวุฒแต่หลังจากนั้นน่ะอัลลอฮฺสุภาอัลลอฮละก็ลงโทษเขาลงโทษเขาอย่างรุนแรงจนกระทั่งให้อาณาจักรอื่นๆนี่ได้มาตีเมืองของเขา ก็คืออาณาจักรบาบิโลนอนเนอะปคาสนาสอร์เนี่ยได้ตีเมืองยูดาสลิมแล้วก็อาณาจักรยูนีก็สลายแตกบงังคับให้ชาวยูนิกระจายไปอยู่ทั่วลูกเราก็เลยบอกเขาว่าก um ็ต่าหน้าหุ้มในดิอุมมมาและเราได้แยกพวกเขาออกเป็นกลุ่มๆในแผ่นดินคือในลูกเนี่ยแยกกระจายไปอยู่ทั่วลูก จากพวกเขานั้นมินฮุมจากพวกเขานั้นมีคนดีอัลสาลิฮุว่ามินฮุมดูน ذلك และจากพวกเขานั้นมีอื่นจากนั้นก็คือมีอื่นที่ที่ไม่ใช่คนดีจากกลุ่มที่แยกตัวไปนี่กระจายไม่ไก็มีคนดีแล้วก็มีคนที่ไม่ดีนี่คือความยุติธรรมของกุตตานนีะยูนิกามาชิว่าเลวทุกคนนะนะก็มีคนดีก็มี เช่นมีอาจารย์ยิวคนหนึ่งที่อเมริกาเขาจะบรรยายเรื่องวิชารัทธศาสตร์เนี่ยทุกทีเนี่ยก็จะประนามประเทศอิสราเอลที่ค่มเหงชาวปาเลสไตน์ก็มีผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึงเป็นลูกศิษย์ลูกขึ้นลูกขึ้นมาด่าอาจารย์บอก็ไม่สํานึกตัวเองก็เป็นยิวไม่สํานึกว่าาบอกว่าไม่ไม่ต้องมาสั่งไม่ต้องมาสั่งสอนฉันพ่อฉันเนี่ย ก็เป็นคนยิวที่ฮิตเลอร์เนี่ยเล่นงานฉันนี่ก็เป็นคนที่อบยพมาคือชีวิตของฉันนี่ก็ลำบากจากคนอื่นแต่ไม่ใช่ความลำบากของฉันเนี่ยที่ได้รับมาจากคนอื่นเนี่ยจะมาสร้างความลำบากให้คนอื่นคือจะมาเอาคืนความลำบากที่คที่มีคนหนึ่งคนในฮิตเลอร์เนี่ยมามาเล่นงานเราอ่ะเราก็เอาไอการเล่นงานของฮิตเลอร์นี่ไปเล่นงานคนอื่นซะอันนี้มันไม่ไม่แฟร์เลยอย่ามาสั่งสอนฉันไม่ไม่ใช่ และการที่ไปเล่นบาหลีไซนี่ถือว่าเป็นการเป็นการกระตัญญูต่อต่อหลักการตรงไหนเป็นการกรตัญยูต่อความเป็นยูตรงไหนถ้าเราจะส่งเสริมให้พี่น้องของเราเนี่คือชาวยูเนี่ยได้ยังยังละเมิดกันอยู่ยังข่มเหงชาวบาหลีไซกันอยู่ก็ต้องการเราปล่อยให้เขาเนี่ยทำบาปอีกเนี่ยนีผมว่าเนี่ยตัวอย่างของคนดีที่เราพูดถึงเน่ยก็มีคนดีที่เขา ยังพูดความจริงยังกล้าพูดความจริงและก็เตือนเตือนพวกยิวด้วยกันว่าเราหน้าหุมบปลือพันาติและเศียรติละล่อมุ่รู้จู้แเราได้ทดสอบพวกเขาเราได้ทดสอบพวกเขาด้วยเราได้ทดสอบพวกเขาด้วยบรรดาสิ่งที่ดีๆก็คือจั เช้ายูเนี่ยถูทดสอบให้เป็นคนที่มีไรายได้ดีทุกที่ทั่วโลกทั่วโลกทั่วโลกนี่ไม่มียูที่เป็นคนจนแต่มียวที่ที่เห็นว่าเอ อ, อยไม่รวยเนี่นยนี่นแปลกยวไม่ฉลาดเนี่ยนี่ค่ะนี้แปลกก็จะถูกทดสอบด้วยสิ่งดีๆนี่ก็คือเรื่องเรื่องทรัพย์แล้วก็ความฉลาด และด้วยบรรดาและบรรดาสิ่งที่ชั่วอะไรที่ชั่วในโลกนี้อบอายมุกทั้งหลายอุตสากรรมหนังโปอยู่ดอกเบีย้ยในโลกนี้อยู่การพนันเจ้าพ่อเจ้าพ่อทั้งหลายนี่นะพวกเจ้าของบ่อนคาสิโนทั้งเรียกยิวเนี่ยพ่อ การพันธุ์ l a s t p i s เนี่ที่เป็นที่เป็นอาณาจักรของการพันนุ์นัน่นน่ะเจ้าของอยิวทั้งนั้นน่ะระบบดอกเบี้ยในโลกนี้เนี่ยใครเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมายิวก็นทดสอบไปเขาเนี่ยในเรื่องดีๆนี่คือให้เขามีทรัพย์สิสในให้เขามีความฉลาดเรื่องดีๆแต่นี้จะก็ใช้ในสิ่งที่เออดีๆสิ่งที่มันมีประโยชน์นะแต่ถูกทดสอบให้เป็น เป็นคนที่สนับสนุนความชั่วและนี่คือเหตุผลที่ทำให้ฮิตเลอร์เนี่ยตัดสินใจล้างเผ่าพันธุ์คือจริงนะฮิตเลอร์เนี่ยเขาเขามีแผนเรื่องนี้จริงแต่เขาฆ่า ย, ยูหกล้านจริงหรือไม่จริงเนะี่ยอันนี้นะ่ที่เขาบอกว่ามันไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่แต่ฮิตเลอร์ Hitler เนี่ยมีเขาไม่ต้องการให้โลกนี้มียว ว่าอะเขาบอกว่ามียูที่ไหนเนี่ยประเทศนั้นน่ะพินาฏพราเยอรมันเนะบอกว่าเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่มีที่อุดมสมบูรณ์และมีโอกาสที่จะเป็นที่จะเป็นประเทศใหญ่โตแต่เนื่องจากนักธุรกิจยูที่อยู่ในเยอรมันเนี่ยทำให้ประเทศเยอรมันเนี่ยตกต่ําสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็ต้องเป็น ต้องเป็นหนี้กับประเด็นอื่นนี่ก็พวกพวกพ ว, กพวกนี่แหละเขาก็เลยตัดสินใจว่ายูนี่ต้อ ง, ต, องต้องล้างเผ่าพันธุ์ให้รับแต่ก็ไม่เป็นเหตุผลเหมือนกันนะที่เราจะที่เราจะสนับสนุนว่าเออฮิตเลอร์นี่ทําดีแล้วแต่เรากว่าฮิตเลอร์นี่เขาทาเนี่ยเพราะเพราะชาวเยอรมันเนี่ยเขาเจิบกันมาเยอะไงจากชาวยูนี่แค่อธิบายแต่ถูกเหรอที่เขาเอาไปเผาเป็นๆอย่างเงี้ย เราทำเป็นหนูทดลองอ่ะหนูทดลองให้พวกพวกสาธารสุขเนี่ยมาทดลองเรื่องอาวุธชีวภาพอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็มันมันไม่ถูกต้องด้วยประการทั้งปวงแล้วลุมยเพื่อพวกเขาจะได้กลับมาก็คือจะได้กลับมาตักเตือนสำนึกตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเอง ก็คงจะฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับ peace and blessings of Allah be upon him and his f a m i l